Fifty languages. a t a t e m s เรากําลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา b u s q u e m una b o t i g a de sports.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 เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา busquem una farmàcia per comprar medicaments ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ busku un joie er. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ b u s c o una botiga de fotografia ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน b u ษก una pastisseria อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนเอก que tinc la intenció de comprar un ันเ l ลอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพเอ que tinc la intenció de comprar un rodet de foto อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กอ que tinc la intenció de comprar un pastís